สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบาท น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดสาวกครั้งที่ยี่สิบเรื่องการเสียสละตอนที่สี่พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะยกเกี่ยว ก, กับเหตุผลเหตุผลที่ว่าทําไมพระเยซูตรัสว่าแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเหตุผลนั้นมีอยู่หลายประการ ประการแรกนะครับก็คือแท้จริงแล้วชีวิตเนี้ยเราต้องมานั่งคิดดูว่าเป็นชีวิตของใครชีวิตของเราเนี่ยเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าพระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดแท้จริงแล้วชีวิตนี้หลังจากที่เราเชื่อพระเยซูนั้นเป็นของเราหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ยังเป็นของเราอยู่ครับแต่ การที่เราจะต้องมอบถวายชีวิตของเราให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงชิ่นพระชนเพื่อเรานั้นจะไม่ดีกว่าหรือแต่เมื่อเรารู้ว่าชีวิตนี้แท้จริงแล้วแม้ว่าจะเป็นของเราก็ตามแต่พระเยซูได้ทรงสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อไถ่เราบนไม้กางเขนนั่นเองทาให้เรานั้นควรอย่างยิ่งที่จะต้องมอบชีวิตให้กับพระองค์ดังนั้นเองชีวิตนี้ ก็คงจะไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปแต่เป็นของพระองค์ผู้ทรงสิ้นประชนแทนเราดีกว่าไม่ใช่หรือหรือเราจะเห็นแก่ตัวเกาะแก่อยู่กับสิ่งที่เป็นของที่ไม่ยังอยู่ในโลกนี้หรือพี่น้องครับมีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งชื่อว่าท่านซีทีสัตกล่าวว่าข้าพระเจ้าทราบถึงพระเยซูผู้ทรงสิ้นประชนเพื่อข้าพระเจ้า แต่ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าในกรณีนั้นตัวของข้าพเจ้ามิได้เป็นของข้าพเจ้าการไทยหมายถึงซื้อเอาคืนไปดังนั้นถ้าข้าพระองค์เป็นของพระองค์แล้วข้าพระองค์ขืนเก็บสิ่งที่ไม่ใช่ของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ก็เป็นกโมยหรือมิเชนนั้นข้าพระองค์ก็ต้องถวายทุกสิ่งแก่พระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเห็นดังนั้นพระเยซู สิ้นพระชนเพื่อข้าพเจ้าก็ไม่ยากเลยที่ข้าพเจ้าจะสละทุกสิ่งหมดเพื่อพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราเห็นถึงพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์ที่ได้สิ้นพระชนแทนเราบนไม้กางเขนโปร่งทรงพลีชีวิตของพระองค์พลีพระชนชีพของพระองค์เพื่อเป็นค่าไถ่ซื้อเรากลับคืนไปซื้อเรากลับคืนไปเป็นของพระองค์ครับเมื่อเราสํานึกตรงนี้แล้วเราก็ต้อง พูดกับเราว่าต่อไปนี้ชีวิตใหม่ของเรานี้ไม่ใช่เป็นชีวิตของเราแต่เดิมเราอาจจะคิดว่าเป็นชีวิตของเราเพราะว่าก็เป็นชีวิตของเราใครจะมาเป็นเจ้าของชีวิตเราได้ผมอยากจะบอกว่าแต่เดิมนั้นเราตกเป็นทาสของมารซาตานครับก่อนที่เราจะบังเกิดใหม่แต่พระเยซูทรงชิ้นมชนแทนเราบนแมงยังเขน การไถ่ของพระองค์หมายความว่าพระองค์เอาพระชนชีพของพระองค์นั้นมาแลกชีวิตของเราให้กลับเป็นของพระองค์เป็นไถยต่อมาราตานเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นของพระเจ้าเราเป็นของพระเยซูนะครับเราก็จะต้องถวายทุกสิ่งกับคืนแด่พระองค์ต้องมอบถวายชีวิตของเรากับคืนแก่พระองค์อันนี้เป็นประการแรกประการที่สองก็คือการที่เราจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่พระเยซู เราจะได้ชีวิตหลอดนั้นเหตุผลประการที่สองก็คือว่าไหนไหนเราก็จะเสียชีวิตแล้วเราก็จะตายแล้วนะครับจะตายแบบไหนดีกว่ากันครับตายแบบประสอุบัติเหตุหรือตายเมื่อเรารับใช้พระเยซูอยู่นะครับคําตอบก็คือว่าพี่น้องครับไหนไหนเราก็จะตายแล้วนะครับเราก็ควรจะตายอย่างสมศักดิ์ศรี คนที่เป็นสาวกพระเยซูครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องตายเพราะเห็นแก่พระเยซูเราถึงได้รับชีวิตรอดตรงนี้ครับท่านอาจารย์จิมเอเรียตท่านกล่าวว่าผู้ใดที่ให้ในสิ่งที่ตนเก็บไว้ไม่ได้ก็เป็นคนฉลาดและผู้ใด ที่ได้ในสิ่งที่เขาสูญเสียไม่ได้นะครับก็เป็นคนฉลาดพี่น้องฟังแลง้วงงไหมครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแท้จริงแล้วท่านเขียนเต็มๆแบบเชิงภาษาอังกฤษนะครับโดยสานวนภาษาอังกฤษท่านเขียนอย่างนี้ครับว่าผู้ใดที่ให้ในสิ่งที่ตนเก็บไว้ไม่ได้และได้ในสิ่งที่เขาสูญเสียไปไม่ได้ย่อมไม่ใช่คนงโง่ผู้ใดที่ให้ในสิ่งที่ตนเก็บไว้ไม่ได้ หมายความว่าอะไรครับยกตัวอย่างเช่นคุณให้เงินให้ทองนะครับสิ่งต่างที่เป็นของนอกกายเนี่ยเราตายไปก็เอาไปไม่ได้ครับใครที่ให้สิ่งเหล่านี้ให้กับคนอื่นครับเขาเป็นคนฉลาบพระพระเยซูบอกว่าอะไรครับจงสัมสมทรัพ ส, สมบัติไว้บนสวรรค์ครับเห็นไหมครับผู้ใดที่ให้ในสิ่งที่ตนเก็บไว้ไม่ได้ก็เป็นคนฉลาบและได้ ในสิ่งที่เขาสูญเสียไปไม่ได้ให้ในสิ่งที่เขาสูญเสียไปไม่ได้หมายความว่าอะไครับให้ยังไงก็ไม่หมดครับเนี่ยให้อะไรที่ไม่หมดได้ครับก็คือให้ความรักให้น้ําใจให้ความอุปถัมภ์ให้ความเอื้อเฟื้อสิ่งเหล่านี้ครับยิ่งให้ก็ยิ่งมากครับยิ่งให้ก็ยิ่งมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับทําให้เรากลับมาดูชีวิตของเราครับชีวิตของเรามีชีวิตเดียวจะเกิดผลสูงสุดก็คือ ต้องย้อนมาที่สิบสองข้อยี่สิบสี่ครับก็คือต้องเปื่อยเน่าและจะเกิดผลมากนี่คือประการที่สองครับประการที่สามครับประการที่สามที่จะเป็นเหตุผลต่อคําตัดของพระเยซูที่ว่าแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเหตุผลประการที่สามครับก็คือว่าไม่มีใครตอบได้ว่าถ้าพระเยซูทรงชิ่นพชนเพื่อเราอย่างน้อยที่สุดที่เราทําได้ เพื่อพระองค์ก็คือตายกับพระองค์ตายเพื่อพระองค์พี่น้องครับเหตุผลตรงเนี้ยเป็นเหตุผลที่หลายหลาคนบอกว่าโอ้เป็นถึงขนาดนี้เชียวหรือคํำตอบคืออะไรครับเป็นถึงขนาดนี้เชียวหรือที่ว่ า, าพระพเยซูสิ้นพระชนเพื่อเราได้อย่างน้อยที่สุดที่เราทําได้เพื่อพระองค์ก็คือตายเพื่อพระองค์ครับถ้าบ่าวต้องอยู่ใต้นายเขามีสิทธิ์อะไรที่จะตายสบายกว่านาย ซีทีสตัตคนเดิมเนี่ยบอกว่าถ้าพระเยซูคริสเป็นพระเจ้าและถ้าพระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อข้าพระเจ้าแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราจะเสยสละเพื่อพระองค์ไม่ได้อันนี้เป็นความคิดของคนที่ที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าครับเป็นความคิดของคนที่อยู่ในระดับแนวหน้าที่จะเดินกับพระเยซูขี่น้องครับโปรดฟัง่นรับถ้าพระคริสพระเยซูคริสเป็นพระเจ้าและถ้าพระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อข้าพระเจ้าแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่เราจะเสียสละเพื่อโปรงไม่ได้ขอให้เราตั้งเป็นเป้งหมายของเรานะครับไม่มีอะไรที่เราจะเสียสละเพื่อโปรงไม่ได้เพราะพรองค์ทรงชิงมาชวนเพื่อเราไม่มีอะไรที่เราจะเสียสละเพื่อโปรงไม่ได้จริงหรือเปล่าครับในชีวิตของพวกเราประการสุดท้ายในเช้าวันนี้นะครับก็คือถ้าเราจะรักษาชีวิตของเราไว้ถ้าเราจะปกป้องชีวิตของเราไว้ ในขณะเมื่อเราอาจจะสละชีวิตเพื่อ น, นําพระพรมาสู่ผู้อื่นได้ตลอดไปนั้นก็เป็นอะไรครับก็เป็นสิ่งที่แย่ yeah, นะครับในต้นฉบับหนังสือของผมก็คือว่าใช้คําว่าอาชญากรรมเลยครับนะครับเป็นอาชญากรรมอาชญยกรรมจริงๆที่เราจะรักษาชีวิตของเราไว้ยอย่างดีในเมื่อเราอาจจะสละชีวิตเพื่อ น, นําพระพรมาสู่ผู้อื่นได้ตลอดไปมนุษย์มักจะอุทิศชีวิตเพื่อประโยชน์ทางการค้นคว้าทดลองทางการแพทย์บ้าง บางคนก็สละชีวิตเพื่อช่วยผู้ที่เป็นที่รักจากไฟคลอกหรือไฟไหม้บ้านบางคนก็ยอมตายในสงครามเพื่อช่วยประเทศชาติจากอำนาจศัตรูเห็นไหมครับว่ามีบางคนอาจจะสละชีวิตเพื่อคนอื่นได้ทำไมพวกเราที่เป็นคริสเตียนเราจะไม่อาจสละชีวิตเพื่อนำพระพรนำพระกิตติคุณนำความรักของพระเจ้ามาสู่ผู้อื่นได้และผลจากการสละชีวิตนั้น จะมีผลยั่งยืนตลอดไปถามว่าทำไมเราถึงไม่ยอมทำกันครับเป็นอจิกรรมจริงๆที่เราจะรักษาชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีในเมื่อเราอาจจะสละชีวิตของเราเพื่อนาพระพรไปถึงผู้อื่นได้ดังนัครับโดยสรุปในเช้าวันนี้นะครับพระเจ้าไม่ทรงต้องการให้เราทุกคนพลีชีวิตเสาหลักสำหรับมัดคนหอกหรือเครื่องประหารชีวิตในสมัยโบราณนั้น มีบางคนที่รับได้ครับมีบางคนที่เลือกที่จะรับแต่สำหรับเราทุกคนเราควรจะมีใจพร้อมที่จะพรีชีวิตและเสียสละเพื่อพระเยซูของเ ร, เราเราทุกคนสามารถอุทิศชีวิตของเราเพื่อพระเยซูได้เพียงครับสุดท้ายผมจะจบด้วยเพลงนี้ครับว่าพระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้จะเป็นหรือจะตายจะหัวเราะหรือร้องไห้จะอยู่ เพื่อจะรักจนหมดดวงใจจะอยู่เพื่อจะกล่าและจะเปล่าร้องเรื่องพระองค์จะอยู่เพื่อร้องเพลงส ร, ษรรเสริญพระนามพระองค์พี่น้องครับเราเคยร้องนะครับพระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้จะเป็นเห็นไหมครับพี่น้องครับเราร้องต่อนะครับจะอยู่เพื่อ ร้องเพลงฉันและเซ่นพระนามพระองค์จะเป็นหรือจะตายจะวรอร์รรหรือร้องไห้จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจจะอยู่เพื่อจะกล่าวและจะเป่าร้องเรื่องพระองค์จะอยู่เพื่อร้องเพลงฉันและเซ่นพระนามพระองค์ทีนี้ครับขอการสัมผัสกับพระเจ้ามาถึงพวกเราในเช้าวันนี้ เพื่อที่เราจะอยู่จะอยู่หรือจะตายจะหัวเราะหรือร้องไห้จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดวดนใจจะอยู่เพื่อจะกล่าวและจะเป่าร้องเรื่องพระองค์จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์อามน